ไปถลําลงไปจ้องไว้กลัวรู้ไม่ชัดกลายเป็นเพ่งใจก็นิ่งๆนิ่งๆก็ไม่แสดงใจรักไม่แสดงใจรักใช้ไม่ได้แล้วได้แต่สมถะเราภาวนานะั้นนับวันไปยิ่งละเอียดละเอียดขึ้นแต่เดิมต้อคิดว่าเผลอเนี่ยต้องเผลอแรงๆทำจริงใจคลาดเคลื่อนจากสภาวะในปัจจุบันนี่เรียกเผลอแล้ ละเอียดนะค่อยๆสังเกตไปกิเลสห ย, ยาบๆมาได้เพราะกิเลสละเอียดนี่แหล ะ, ะก่อนจะหยบาบก็ละเอียดก่อ น, นค่อยรู้สึกนะค่ยรู้เฉยๆไม่เพ่งสิ่งที่ผิดมีสองอันหเผลอไปก็คือลืมกายลืมใจไหลไปเผลอไปไม่ตั้งมั่นอย่างหนึ่งเพ่งเอาไว้ตั้งมั่นมากไปตั้งยนกระดิกไม่ได้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 ก็เปิดประตูก็ตามเข้าไปนะพวกผู้เฒ่าคุณป้าทั้งหลายอยู่ในวัดเนี่ยก็ไปรายงานหลวงปู่พอมาถึงนายพงเชษ์เอาเชียวนี่เมอหลังพงได้ยินนะหลวงปู่ครับผมอยากละกามแต่ใจมันยังอะไรวอนอยู่หลวงปู่อุทานอา้าวนี่มีอุทานเลยนะอา้าวอะไรวรก็ละไม่ได้สิน่นพูดอย่างนี้นะ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 อะไรเรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสพอทภะเรียกว่ากามนะแล้วก็เครื่องมือที่ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสพอทภะก็คือกายนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่ท่านเห็นกายเป็นโทษบ้างเห็นรูปเสียงกลิ่นรสพอทภะเป็นโทษบ้างท่านก็หมดความยึดถือจิตมันฉลาดขึ้นมาจิตมันรู้ว่าอารมณ์ที่จิตจะไปยึดถือนะนะั้นไม่น่ายึดถือหรอกมีแต่ทุกข์นี่มันเห็นทุกขนะ์น้ำ รู ป, ปก็เป็นทุกข์เสียงก็เป็นทุกข์กลิ่นก็เป็นทุกข์นะคล้ายๆที่พระพุทธเจ้าสอนนะตาหูจมูกลิน้นกายใจเป็นของร้อนใช่ไหมรูปเสียงกลินล่นรสปฐพะธรรมารมเป็นของร้อนเนี่ยท่านสอนพระอะไรพวกเรือสีฉดินนะฉดนินพันองค์พระเจ้าสอนอาทิตตะปริยาตยสูตรตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของร้อนรูปเสียงกลินล่นรสปฐพะธรรมารมเป็นของร้อนเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในภายนอกนี่เป็นของร้อน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 นั้นเราเห็นตาหูจมูกลิ้นไกาเป็นของทุกเนี่ยเป็นตัวทุกขเป็นโทษเป็นทุกขอย่างนี้ก็ไม่ยึดมันใช่ไหมเห็นว่าถ้าไปยึดมันเมือ่อไหร่เราทุกเนี่ยก็ไม่ยึดมันเหมือนกันนะใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเงื่อนพระนาคานะใจมันจะตั้งเด่นอยู่นั้นทั้งวันนะไม่ไหลไปหากรรมท่านเลยพ้นกรรมทันทีที่พ้นกรรมว่าพ้นปฏิฆาอัตโนมัตินะ ตามมันคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปทัพะปฏิฆะคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปทัปะยังมีพอใจมันก็ยังมีไม่พอใจนะวอันนี้พอใจมากกว่านี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่พอใจมากกว่านี้มีเทียบกันงั้นล้าล้ลาด้วยกันนะล้ากามแลี่ปฏิฆะลาพร้อมๆกันการภาวนาที่เหลือมันจะบีบบวงเข้ามาที่จิตอันเดียวละงั้นการภาวนาเนี่ยบางท่านเริ่มจากกาย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 สมาธิทำไมปวดล่ะอถ้าจิตเป็นสมาธิไม่ปวดหรอไม่ปวดแสดงว่าไม่เป็นสมาธิใช่ไหมคะนั่งสมาธิก็คือนั่งดูจิตมันทํางานจําไว้อย่างหนึ่งนั่งแล้วอยากให้ซึมซึมไม่ดีซึมเป็นชื่อของซ้วมไม่ซึมนะต้องรู้สึกตัวกระปรี้กระปร่าเออต้องรู้สึกไว้อย่างนี้อ้าวหมอหมอขอผ่านดีหมดแล้วคนอยู่วัด เดี๋ยวบางคนก็ว่ามาไกลแล้วไม่ได้นะแต่เมื่อวานหลวงพ่อโดนหลอกวันก่อนนู้นมีคนเดียวบอกอยู่ไกลมากเลยให้ส่งกันบ้านเสร็จแล้วถามว่าอยู่ไหนบอกอยู่บางประกงเมื่อวานนี้มีอยู่ชาเชิงเซาไม่ใช่บางประกงนะแต่ชาเชิงเซานะแล้วก็กรุงเทพไกลแล้วมากแล้วกรุงเทพเอ้าวใครอยู่ไกลวัดหลวงพ่อเกินสามร้อยโล <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหน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 นะคอยรู้สึกกาย <g ye S 1> เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเห็นจิตได้ชัดตอนนี้จิตแอบไปคิดอีกแล้วส <g ye> ังเกตไหมตอนจิตแอบไปคิดนี่มันลืมร่างกายงั้นเราคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆเนีย่ย ต, ตอนนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วเห็นไหมมันลืมร่างกายเมื่อไหร่ลืมร่างกายนะแสดงว่าหลงไปแล้วนะรู้สึกกายบ่อยๆนะแล้วคุณจะเห็นจิตได้ชัด <g ye> แล้วก็อย่าไปอยากปฏิบัติอย่าไปรีบร้อนปฏิบัติ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 เขาเขียนมาให้แล้วอ่านเลยนะคะเอาเลย uh, เขาเป็นคนใหม่สำหรับวิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อแต่ว่าเข า, าได้รับการฝึกมาให้ดูสังเกตความตั้งใจหมายถึงว่าความจงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถามว่ามันมันมันเป็นวิธีที่ดีที่จะทาให้เกิดสติสติอัตโนมัติสำหรับเขาไหมใช่ความจงใจเนี่ยจริงๆเกิดจากโลภะนะมีความอยากก่อนอยากปฏิบัตินันก็เลยจงใจม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 สักเดือนสองเดือนที่ถัดไปก็ดูสบายๆดูว่านนะช่วงเนี้ยค่ะดูว่าหนูต้องไปติดอะไรอยู่แน่เลยค่ะือติดนิ่งๆติดนิ่งเนี่ยมันไปกดจิตไว้นิดนึงแล้ก็นิ่ ง, งๆอยู่อย่าไปบังคับมันอย่าไปรอดูนะตอนเนี้มันอยู่ปัญหาเกิดจากการไปรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นนิ่งๆไป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 ใจเราภาวนาทุกวันทุกวันนะเราอยู่กับธรรมะเคล้าเคลียอย่าไปเพลิ น, นอยู่กับโลกก็แค่นั้นเองมันก็เหมือนเราอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาแหละน้องไงหลวงพ่อมีอะไรชี้แนะไหมครับชี้แนะแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อย่าไป<อ>คิดว่าระยะทางทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญอะไรนะถ้าใจเราคิดถึงธรรมะอยู่ใจเราภาวนาอยู่เราก็เหมือนอยู่กับครูบาอาจารย์นะนะั่นแหละ งั้นใจใจเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลเราก็นึก4ี่ครูบาอาจารย์สอนให้เราทําอะไรเราก็ทําอย่างนั้นครูบาอาจารย์บอกเราอย่าทําอะไรเราก็อย่าทำมันนั่นเหมือนเราอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดแหลนะภาวนาไม่มีปัญหาหรอกแล้วแล้วที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้ที่ดูอยู่ตอนเนี้ยคะ่ะดูอยู่ตอนนี้นก็ใช้ได้นะ<ช>แต่ใจเนี้ยมันอ่อนแอไปนิดนึงก้าวสิบนะดูออกไหมมันอ่อนแอไปหน่อยอา้าวเก ก็ไม่ส่งกันบ้านมาหลายเดือนแล้วครับคือที่ปฏิบัติอยู่ก็คือว่าพยายามตามรู้เีใครช่วยปิดหมอลำก่อนอ้าวว่าครับก็ตามรู้จิตใจไปเรื่อยครับส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยตั้งมั่นเราก็ให้รู้ทันนะรู้อย่างเป็นกลางเดี๋ยวนี้เป็นกลางขึ้นหรือยังก็ถ้าเทียบกับแต่ก่อนก็คิดว่าเป็นกลางมากขึ้นเลยให้รู้ตรงนี้แหละ สภาวะต่างๆเนี่ยคุณสามารถเห็นได้เยอะแยะแล้วต่อไป น, นี้ก็คือเมื่อเห็นสภาวะเราจิตเป็นกลางไหมถ้าไม่เป็นกลางแค่รู้นะอย่าไปสั่งให้เป็นกลางฝึกตัวนี้ให้เยอะร้อยหกกาบนมัสการหลวงพ่อครับผมมาเป็นครั้งแรกครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มันตื่นเต้นมากเจออิตูกติง ต, ตรงนี้ครับดีแล้วก็เรื่องความกลัวดีครับรู้สึกช่วงนี้ออกมาเยอะมาก กลัวอะไรคนะหรือกลัวไปหมดครับครับบางเรื่องก็ไม่ไม่มีเหตุผล <g ül> ให้รู้ท<ห>ันไปนะจริงๆเรากลัวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรารักตัวเองนะเรากลัวลากเง่าของมันก็คือรักตัวเองแล้วเราคอยรู้ทันใจของเราได้ๆกลัวขึ้นมาสังเกตไหมอะไรมันกลัวร่างกายมันกลัวหรือใจมันกลัวดูสิใจครับใจมันกลัวนะลองดูไปจิตของเราเป็นคนผู้รู้ผู้ดูนะความกลัวก็ไม่ใช่ใจเรานะ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 ให้รู้ทันอย่าเพ่งให้นิ่งตอนนี้เพ่งอย่าเพ่งนะยิ่งเพ่งยิ่งเคร่งเครียดยิ่งเคร่งเครียดยิ่งกลัวง่ายทำใจให้สบายไว้คิดดูตายก็ตายนะอย่างมากชีวิตนี้ก็แค่ตายใครคิดไปชีวิตเรายัางไงจะกลัวหรือจะไม่กลัววันหนึ่งก็ต้องตายอย่าไปกลัวมันเลยเสียเวลาใครรู้สภาวะทั้งหลายอย่างตอนนี้ใจเข้มแข็งขึ้นดูออกไหมครับใจเข้มแข็งใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นแล้วก็รู้ทันว่าใจเข้มแข็งไปนะ อ, อ, อย่าให้ใจมันความกลัวมันมาย้อมใจเราให้รู้ทันมันให้ใจเข้มแข็งไว้แบบนี้เบอร์เ9อยู่ข้างหลังข้างหลังส่งไปด้านหลังนะยกมือหน่อยเบอร์ hmm. ตื่นเต้นดูออกไหมเบอร์ mm hmm. ตื่นเต้นก็รู้ mm hmm. นะว่าตื่นเต้นการมุสลิพระอาจารย์ครับเออครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเออผมเคยฝึกปฏิบัติมาหลายที่จนล่าสุด เราไปฝึกสติปัฏฐานสี่มาหลังจากนั้น เ, เคยเคยประสบอ า, อาการที่ว่าเหมือนรอบด้านเราเรารู้สึกว่าเขารอบข้าไม่มีตัวตนสําหรับเราเล ย, ยนะพอหลังจากนั้นก็ฝึกมาเรื่อยทุกวันนี้ก็ตามรู้โดยการจเจริญปัญญสิบสมมติถ้าคิดฟุ้งซ่านหรือเรื่องอะไรที่ทำให้เราโกรธเราจะกลับมาพิจารณาลมหายใจตลอดอืทีนี้พอเราพอเรารู้ลมหายใจไปนานๆเนี่ยฮะมันจะเกิดอาการชาที่จมูกอืผมอยากทราบอาการนี้มันยังยังติดของอาการสามมติอยู่เป็ น, น<ะ>สมมติฐานะ ถ้าวิปัสสนาจะไม่มีอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดา mm hmm. ถ้าอะไรที่เกินธรรมชาติธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นราการของสมรถะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สภาวะนะจิตใจเราขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวแค่รู้ไม่ต้องวกกลับมาที่ลมหายใจของคุณไม่ว่าไปรู้อะไรมันจะหนีกลับบ้านอยู่เรื่อยจะหนีเข้ามาหาลมนะจะกลายเป็นสมรถ mm hmm. รถะนั้นอย่าไปบังคับใจตัวเองให้มันนิ่งอยู่ตลอดเวลา ใจไหลไปแล้ว ร, รู้ใจไหลไปแล้ว ร, รู้ดีกว่าบังคับใจให้นิ่งเนี่ตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไ้มครับเอ <c oughs> ใจไหลไปคิดแต่ของคุณมันติดตรึงความรู้สึกเอาไว้อันหนึ่งมันนิ่ ง, น, งนิ่งไปปล่อยซะตอนอยู่ข้างนอกเป็นอย่างนี้ไหมหรือเป็นตอนจับไ ม, ม่กเเ็เป็นแต่ว่าก็พยายามตามรู้ไปเรื่อยๆที่ว่าจะไม่จะไม่กําหนดนะ อ, อย่างเวลาฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือเนี่ยพออ่านไปนาน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 คือคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยใจจะแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลานะแต่ผู้ปฏิบัติที่ดีนะปล่อยให้ใจแกว่งขึ้นแกว่งลงไปตามธรรมชาติแต่มีสติตามรู้ไปต่างกับตัวที่มีสติตามรู้ท่านหนึนะ่งผู้ปฏิบัติที่ไม่ดีเนี่ยจะไปบังคับจิตไม่ให้แกว่งขึ้นแกว่งลงนะแล้วอย่าไปบังคับมันให้มันแกว่งไปแล้วเราตามดูไปเราต้องการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมครับผมของคุณสังเกตไหมถึงรู้ว่ามันไปคิดนะตัวนิ่งนี่ก็ยังอยู่ รู้สึกไหมในนี้มีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งรูครับตัวเนี้เป็นเรลิกซะตัวนี้แหละที่หวางวิปัสนาอยู่ตัวนิ่งเนี้ย ม, ม, มันเที่ยงมันก็เราไปยึดอะไรใช่ยยใช่ใช่ใช่ใช<ะ>เรากลัวจะหลงเราก็เกาะแน่นเลยไม่ยอมปล่อยถ้าเราไม่ปล่อยนะเราจะเดินวิปัสนา <c oughs> ไม่ได้ไม่คล้ายๆเราจะข้ามสะพานแต่เรากลัวตกน้ําเราเลยกลเกาะราวสะพานไว้ไม่ปล่อยถ้าเรากเกาะราวสะพานโดยไม่ปล่อยมือเลยนะเราข้ามสะพานไม่ได้ <c oughs> นึกออกไหม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 คือต่อไปถ้าหนูดูอารมณ์แล้วเนี่ยหนูควรจะดูหลังจากที่ว่าเรายินดีหรือไม่ยินดีอะไรอย่างนี้หรือว่าคเจ้าค่ะคือดูความรู้สึกไปนะดูสองอันนะอันนึงมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ข้อสองถ้ามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแล้วจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันค่ะแล้วนั่งสมาธิจําเป็นไหมเจ้าคะ่ะยังไม่ต้องนั่งหรอกนะตอนนี้นั่งก็ไม่ลงหรอกเพราะ ค, คนปัญญาแรงๆนะไม่ยอมทําความสงบหรอกกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเบอร์ร้อยแปดิบ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 ใจถึงๆนะภาวนาต้องใจถึงใจถึงคือปล่อยให้มันหลงบ้างครับถ้าประคองตัวรู้ไว้ตลอดนะของคุณประคองไว้จนเครียดเลยเหนื่อยคนี่ตอนนี้บังคับอยู่ทราบรหมไม่คือการเพ่งนะลืมเรื่องปฏิบัติก่อนนะลืมเรื่องปฏิบัติแล้วไปหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีความสุขทำที่เป็นกุศลนะเช่นเป็นลดต้นไม้ไปอะไรเงี้ยไม่ใช่อากุศล เราก็จะได้เห็นจิตมันทํางานตามธรรมชาติคุณพื้นฐานคุณดีนะคุณพื้นฐานดีเพง่งแต่ว่าตอนนี้ไปติดเพลงผู้รู้เท่านะั้นนะเบอร์สิบสีกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งมาครั้งแรกนะคะววนนและหนูคนเก่าๆนะ่ารักมากไม่ค่อยยกมือ <c oughs> ดีจริงจริงว่าไงเออนหนูเพิ่งมาครั้งแรกะคะ่ะแล้วคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหนูหนูเพิ่งปฏิบัติทำได้ไม่นานนะคะแต่การปฏิบัติของหนูเนี่ยตอนนี้หนูถือว่า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 จะกลับมารู้ลมหายใจอะค่ะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้แบบว่าไม่รู้ไม่รู้สึกอันนั้นเขาเรียกรู้สึกตัวใช่ไหมคะก็รู้สึกตัวก็ไม่หลงนะก็เห็นร่างกายหายใจอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่ารู้สึกตัวแต่ถ้าจิตเราไหลไปซึมอยู่กับลมหายใจไม่เรียกว่ารู้สึกตัวก็จะได้แป๊บนึงอะค่ะแล้วเดี๋ยวก็หลงไปคิดอีกอะค่ะราะคุณมันไม่สงบนานหรอกโดยพื้นฐานนะใจมันจะช่างฟุ้งค่ะงั้นไม่ต้องกลัวติดสมาธิหรอกไม่ติดง่ายหรอกค่ะแล้ว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 อยากให้หลวงพ่อแนะนําวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับหนูเพื่อให้การปฏิบัติ<ด>ไม่เนิร <ไป S 2> ชาน<ะ>ั่นแ<ะ>หละดูจิตไปหนูต้องใช้ปัญญานำปะคะใช้ปัญญาแต่อย่าคิดนะปัญญาไม่ใช่ความคิดนะค่ ะ, อ, ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าสมุติเวลาหนูทําบุญแล้วก็อธิษฐานว่าเพื่อให้เป็นไปสู่นิพพานหนูไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความอยากคืออธิษฐานอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไดไม่เป็นไรอ่ะอธิษฐานไปก่อนแล้ววันหนึ่งก็พบว่าไม่มีประโยชน์แล้ว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 อย่าไปว่ามันแล้วก็อย่าไปชวนมันเข้าบ้านอย่าให้มันครอบงําจิตได้แค่รู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ากิเลสผ่านไปรู้ด้วยใจเป็นกลางฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะครับอตอไปเบอร์ยี่สิบสี่กล่าวนมัสการค่ะหลวงพ่อไม่ได้มาส่งกันบ้านครึ่งปีแล้วค่ะออยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อะค่ะอ่าช่วย อ่าดูให้รู้ได้ไหมคะว่าอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าะคะ่ะอยู่นะอย่างจิตมันหงุดหงิด ต, ตัวเองใช่นะเรก็รู้ทันนะเห็นไหมไม่ได้หงุดหงิดคนอื่นเลยหงุดหงิด ต, ตัวเองแต <c oughs> ่รู้โลกปัจจุบันปเป็ <c oughs> นงั้นแหละค่ะดูเหมือน <c oughs> บางครั้งเหมือนเหมือนเหมือนสำหรับหนูแล้วโลกมันเปลี่ยนไปนะครัหลวงพ่อ <c oughs> มันเปลี่ยนแน่นอนนะแต่มันไม่เปลี่ยนตามใจเราหรอกค่ะนะเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปสบายๆอย่าไปโมโหตัวเองสินะไม่ได้ดังใจ ไปฝึกเอานะ<ม>เบอร์เบอร์แปดสิบสามเชิญการนมัสการนะคะเพิ่งไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมนะคะถูกสิไปดูวันหนึ่งนะเวลาใจเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะอย่าไปบังคับให้มันนิ่งไปดูบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปรู้ซื่อๆนะอย่าไปแทรกแซงรู้บ่อยๆ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 50าสเปอรหเห็นไหมของคุณเนี่ยจำเป็นที่ต้องถามนะเงีย้ยติดอยู่ในว่างเสียเวลามาส ก, การคะ่ะหลวงพ่อเอ่อรู้สึกว่ามาภาวนาแล้วที่ภาวนาใช้ได้นะแต่ว่าค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ตัวเองอายุเยอะแล้วให้พี่ดูกันข ย, ยับกายแต่ตัวเองเนี่ยชอบลมหายใจได้ไหมคะ่ะหลวงพ่ออ ถ, นะถ้าชอบตามลมหายใจอะคะ่ะได้แต่ว่าอย่าให้เคลิม ถ้าหายใจนะเดินก็หายใจยืนก็หายใจนั่งก็หายใจไม่ใช่ต้องนั่งหายใจอย่างเดียวใช่ค่ะแต่คนนี้จริงๆแบบลดหายใจหยุดใจมันลอยไปที่อื่นก็กลับมันลงอย่างเนี้ยใช้ได้ใช้ได้หายใจแล้วใจลอยเรารู้ว่าใจลอยอย่างนี้ใช้ได้เห็นขาขยับแล้วก็ใจลอยได้ได้ได้อย่างนี้ดีมากเลยที่ภาวนาตอนนี้ดีร้อยเจ็ดสิบหญช์เจพ่อับกัรการหลวงพ่อครับเพิ่งมาวันแรกครับ ก็อยากจะขอคําแนะนําว่าไม่ทราบว่าดูกายหรือว่าดูจิตดีครับขอบคุณนะพยายามเคลื่อนไหวให้เยอะๆไหมครับนะแล้วเวลากระดุกกระดิกไปเวลาหายใจไปอะไรเงี้ยใจมันลอยรู้ว่าใจลอยไปรู้ตรงที่ใจลอยบ่อยๆนะกห็หาอารมณ์กรรมาฐานมาอันหนึ่งก่อนก็ได้จะสวดมนต์ก็ได้อะไรฮั่งซัมมาอะไรเงี้ยนโมตัสสะอะไรก็ได้แล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ฝึกตัวนี้บ่อยๆก่อนครับนะ ปกตีมันจะเกิดต่อไปเบอร์160 179นมัส ก, กา ร, รหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนะครับก็ไม่ได้มาวัดประมาณเก้าเดือนนะครับ mm hmm. แต่ว่ามีช่วงหลังๆนี้ที่พยายามภาวนาให้มันเข้มข้นขึ้ น, นครับ mm hmm. ไม่ทราบว่าดีดคือตอนในพันนาภาวนา คือจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มตื่นนะแต่ตอนนี้ไปเกรงเอาไว้ตอนนี้ไปแข็งไว้ตรงนี้แข็งนะครับใครรู้สึกเอาไปทําต่อครับแล้หสิบสามไม่มาเก้าเดือนนะหลวงพ่อไม่ไม่ไม่นึกว่านานเก้าเดือนด้วยซ้ําไปเป็นการภาวนายังกระฉับกระเฉงดีอยู่นรัสการหลวงพ่อครับครับคือตอนนี้ที่ทําอยู่เป็นหลักๆก็คือวิ่งแล้วก็ดูเท้ากระทบ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 2. 2> ร้อยห้าสิบสองเห็นไหมส่งไม่เห็นเหมือนคนอื่นส่งไม่ยิ้มเห็นไหมเห็นเหมือนคนอื่นยิ้มนี่แหละฝึกไปอย่างเงี้ยดูมันดูคนอื่นไปเรื่อยๆเอาว่าไปก็<ร><อ>ผมก็ไม่ส่งกันบ้านมา9เดือนแล้วเหมือนกัน<อ>ครับผมแ ล, แล้วก็ภาวนาเนี่ยภาวนาก็เป็นกลางมากขึ้นนะครับแต่ว่าใจะจะอยากดีมากๆเลยอยากดีไม่เป็นกลางครับ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 ใจลอยรู้จักไหมอิจฉาเป็นไหมกลัเป็นไหมกลัวเป็นไหมกลัวเค่ะไมลวเป็นมกลัวเป็นทุกตัวเนกลัอเนี้ความรู้สึกอะวไรมีอัู่ก็รู้ไวเป็นไหมกลัไม่ได้เพรนไหมกลรวเไมกัเนไหมีลันไหมกลัป็นหกลัเป็นไลัวเนไมกลัวเป็นมกลัวเปไหลวปไหมกลัวเป็นไหมกลวเป็หมกูัเนมกวเางไหมกลดวเปนห้กวามรน้สึกลเกิดขเ้นก่อเนแล้วก็ค่อยกู้เช่นเรากะเนกลัวเป็นไมกคันไหมกลัวนไหกัวเนไหมกลัวเปนไหม โมโหขึ้นมานะเราก็เห็นใจที่โมโหเห็นไหมอย่างนี้ใช้ได้ถ้าอยู่ๆไหนมีอะไรให้ดูดูดู ด, ดูไม่มีอะไรให้ดูเลยเราะคนไปผิดตรงที่อยู่ๆก็จะนึกจะดูก็ดูเอานี้แหละมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกค่ะเบอร์ห้าสิบหนึ่งอยู่ข้างหลังนะข้างหลังน้ำรสการค่ะหลวงพ่อกอ็ช่วงนี้ปฏิบัติ มีหย่อนยานบ้างแล้วก็มีที่บางวันก็ดีบ้างนะคะแต่รู้ว่าขาดเรื่องวินัยนเข<ร>าน้อยเยอะนั่นแหละ น, นะขาดตรงนี้แหละก็ช่วงนี้เริ่มเห็นความยินดียินร้ายคือความชอบกับไม่ชอบในใจอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ผลักเราให้ใ<ช>กระทาต่อใช่ใชเห็นไหมรู้แล้วมันไม่จบรู้ว่ามันทําต่อ เพราะมันยินดียินร้ายดีแล้วที่เห็นแล้วก็หลงบ่อยมันกันหลงยองยองที่เป็นตัวตนตอนเนี้ปัญหาคือต้องมีวินัยท่านนั่นแหละนะแล้วมันจะดีร้อยหกสิบหลวงพ่อคะสภาวะที่ในจิตมันมีน้ําหนักแล้วมันก็จะวาบมาที่หัวใจเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็ไม่ว่ามันมันเป็นไงก็ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นไหมเรารู้สึกมันอะไรอ่ะอะไรอ่ะใช่ไหมอ่ะ คือมันเกิดเรื่อยๆก็เลยนนว่ามไม่มัน อ, อยากลำพันเ น, นี่ยเรารู้ทันตรงไปเลยน ะ, ะใจเข้มแข็งขึ้นแล้วรู้สึกไหมแต่ก่อนถูกหลวงพ่อว่าเรื่อยๆเลยเมื่าใจขี้อ้อนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ก่อนชอบ ค, ำ ค, ออค้ำครวนเออค้าครวนเรนนี้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหมเ อ, อเห็นไหมหลวงพ่ออบรมลูกศิษย์นี่นะด้วยความโหดจริงๆเลยคล้าครวนก็ไม่ได้เห็นไหมแล้วดีขึ้นมา รู้สึกไหมดีขึ้นเยอ่อค<ะ>ุณหลวงพ่อยังสูงค่ ะ, <น>ะหลวงพ่อค่ะขออนุญาตค่ะเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี้จิตมันมีโทสะอย่างแรงเหมือนมาบ้าเลยอะคะ<ม>่ะกัดคนอื่นรุนแรงมากยแล้วหนูอยู่อยู่หมาบ้าไม่ได้มีโทสะ <c oughs> นะ <c oughs> อ่ะเพราะไงค่ะแล้วอยู่อเหมือนกับจิตเขาก็บอกตัวเองว่าออกมาสิาแล้วเราก็เหมือนกับรู้ว่าที่มันเกิดโทสะแรงขนาดนี้เพราะว่าไปเฝ้าจ้องเขาเกาะติดเขาอย่างนั้นถูกต้องไหมเก็บกดนั่นแหละ พอหมดแรงกวนะมันก็หลขึ้นมาเลยใช่ค่นะน้ำปล่อย<บ>ซาภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วขอบคุณค่ะเบอร์สี่สิบเจ็ดอยู่ข้างหลังสี่สิบเจดนะรีบดมอย่าดมเลยระวังหัวใจวายไปนะนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบห้าเดือนนะครับหลวงพ่อยังผมยังภาวนาภาวนาดีขึ้นนะจิต ใ, ใจมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นทาสม่าเสมอไว้ รู้สึกช่วงนี้จิตโดนอารมณ์ครอบงําง่ายเป็นคนเซนซิทีฟป่ะครับหลวงพ่อให้รู้ทันนะจริงๆแล้วแต่ละคนเซนซิทีฟนั่นแหละถ้าเพ่งเอาไว้มันก็เหมือนไม่เซนซิทีฟตอนนี้เราไม่ได้เพ่งแล้วเราปล่อยไปเยอะแล้วแต่ยังเพ่งอยู่มีนิดหน่อยนะไม่มากอ่ะแต่เองทําในรูปแบบได้ใช่ไหมครับได้ขอบพระคุณครับพ่อนาดีขึ้นเยอะเลยเบอร์สี่สิบถ้าอยู่มาตั้งนานแล้วไม่มีกิเลสเลยนะแสดงว่าเพ่งเอาไว้นมรสการหลวงพ่อค่ะ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 ร่างกายมันเดินเห็นเหมือนคนอื่นมันเดินเราเป็นแค่คนดูไม่เกี่ยวข้องด้วยฝึกอย่างนี้นะถึงจะได้ปัญญาฝึกสงบเฉยๆไม่มีปัญญาเ อ, อละร้อยยีแล้วนมัสการหลวงพ่อครับออผมจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างครับฮะจะไปปรับอะไรมันแหะรู้อย่างที่มันเป็นสิถูกต้องแล้วใช่ไหมครับตอนเนี้เพ่งอยู่ใช่ครับแม้และใจเหมือนฟุง้งดูออกไหมครับแค่แค่รู้รู้ด้วยความเป็นกลางนะ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 ก็คือเขาก็าวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวพูดพูดช้าลงนิดเถอะลงมันเสียงมันก้องลงครฟังไม่ออก บ, บางทีก็เห็นจิตใจก็คือสมมตินั่งอยู่เฉยๆนะครับบางทีก็นั่งดูกําแพงบางทีก็จิตใจที่คิดก็วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็วิ่ง<อ>ไปคิดาบางทีก็ดึงดสัญญาเก่าๆขึ้นมานะครับด้วยความรวดเร็วบางทีไม่กี่วินาทีก็ดึงสัญญาเก่าขึ้นมาไปปรุงไปปรุงเป็นราคาโทสะโมหะได้ัแหละดีนะสังเกตได้ไหมมันทํางานได้เองครับมันไม่ใช่เราหรอกนะแล้วมันไม่คงที่เลยมันเปลี่ยนแปลงตลอด แต่ถ้าเราเพ่งไว้นิ่งนะจะไม่มีปัญญาแบบนี้หรอกแล้วตอนนี้ผมผมทาอนาปนานสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นเนี่ยอันนี้ผมทำผิดหรือถูกครับลองทำให้ดูหน่อยอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้น้อมจิตไปให้นิ่งอนาปนานสติแปลว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่มีสติให้จิตนิ่งนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักไว้เอ า, เอาหายใจใหม่